800ปีก่อนที่ประเทศเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านในปัจจุบันมีกวีคนหนึ่งนะชื่อรูมิเป็นกวีที่มีชื่อมากตั้งแต่สมัยที่เขายังมีชีวิตยอยู่แล้วผ่านมา8ป0ปีจ น, นปัจจุบันก็ยังมีคนติดตามอ่านงานของรูมิอยู่ไม่ใช่เฉพาะ คนถาตะวันออกกลางเนี่ยรวมถึงฝรั่งเพราะว่ากิวนิพนธ์ของรูมิเนี่ยนอกจากจะภพเราะงดงามแล้วก็ยังมีความลุมลึกด้วยมีประโยคหนึ่งของรูมินะที่น่าสนใจเขาบอกว่าศิลปะของการรู้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าอะไรคน ที่เราจะเมินหรือไม่ใส่ใจน่าสนใจนะศิลปะของการรู้อย่างหนึ่งคือรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเมินปกติเรามักจะมีองความคิดว่าเนี่ยรู้เยอะรู้มากนี่ดีแต่ลูมิเขาบอกว่าเนี่ยมันมีหลายเสื่องหลายอย่างที่ไม่ควรจะรู้ไม่ควรจะใส่ใจ ซึ่งมันก็สวนทางกับธรรมชาติคนเรานะธรรมชาติคนเราเนี่ยไม่มีความอยากรู้อยากเห็นไอ้ความอยากรู้อยากเห็นมันทําให้เราเนี่ยสนใจอยากจะรู้อะไรสารพัดแต่มันก็มีความรู้หลายอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์เลยรู้ไปก็นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังเสียเวลาอีกเช่นการรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยเรื่องชาวบ้านนี่เป็นสิ่งที่ คนซอยอยากรู้นะอยากรู้ว่าเพื่อนบ้านอยากรู้ว่าคนในซอยอยากรู้ว่าคนนั้นคนนี้หรือแม้กระทั่งคนในวัดนี้เขาทําอะไรกันไอความอยากรู้อยากเห็นแบบนี้มันทําให้คนเรามีนิสัยชอบดินทาหรือว่าฟังคําดินท้าของคนอยู่ใกล้ตัวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย สิ่งที่คนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคำพูดคำกล่าวอ้างของคนรอบตัวนะอย่างนี้เรามีสื่อซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญมากคือโทรศัพท์มือถือเวลาเราเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีหลายแอปทีเดียวนะที่มันชวนให้เราหรือว่า ส่วน่เราอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสนองความอยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นของเราเรื่องชาวบ้านเรื่องดาราเรื่องนักการเมืองเรื่องสารพัดซึ่งถ้าว่าเราไม่รู้จักเมินเสียบ้างเนีย่ยมันทำเราเสียเวลามากทีเดียวเลยนะเพราะว่าข้อมูลหลายอย่างหรือถ้าเรียวความรู้เนี่ยมันเป็นขยะเสียเยอะเลย รู้เรื่องชาวบ้านรู้เรื่องดารารู้เรื่องนักร้องรู้เรื่องใครต่อใครมากมายนี่มันไม่เป็นประโยชน์แถมเสียเวลาถ้าเราไม่รู้จักเมินบ้างนะโอมันไม่ใช่แค่เสียเวลาอย่างเดียว น, นะบางทีเสียเงินด้วยเพราะว่ามันมี โฆษณามันมีอะไรต่ออะไรที่มาดึงดูดให้เราเนี่ยเกิดความอยากได้อยากมีเกิดโลภะขึ้นมาหลายคนเนี่ยหมดเงินไปเยอะเลยนะจากโฆษณาหรือข้อความเชิญชวนให้ซื้อโน่นซื้อนี่เยเพาอเด๋ยนนี้มันซื้อง่ายเหลือเกินนะไม่ต้องไปห้าง แค่ดูข้อมูลหรือว่าที่เขาเสนอขายทางออนไลน์เห็นแล้วก็อยากได้เป็นหมดเลยแถมเขามีโปรโมชั่นมีลดราคาขายที่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงในแต่ละวันบางทีเสียเงินด้วย และเสียเงินเพราะช้อปออนไลน์นี่ก็ยังไม่หนักเท่ากับเสียเงินเพราะว่าการพนันนะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการล่อใจเราให้ไปเล่นพนันออนไลน์เนี่ยหลายวิธีมากเลยลถ้าเราไมา่รู้จังเมินนะ เราก็จะกลายเป็นเหยื่อติดเด็ดได้ง่ายมันไม่ใช่แค่เสียเวล า, าเดียวเสียเงินด้วยและที่จริงไม่ใช่แค่เสียอย่างเดียวนะเสียอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่มันดึงๆความสนใจของเรามันไม่ได้มีแค่สิ่งที่กระตุ้นกิเลสกระตุ้นความโลภกระตุ้นความอยาก แต่ยังมีสิ่งที่กวนโทรศัด้วยคือกระตุ้นความโกรธแล้วถึงจะกระตุ้นความโกรธนี่ที่จริงมันก็ไม่ได้มีแค่ข้อความข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือแต่ว่ารอบตัวเราเนี่ยนะมันก็มีอะไรต่ออะไรมากมายที่ถ้าเกิดว่าเราเผลอไปสนใจ มันก็ทำให้เราเกิดความโกรธเสียงดังที่มากระทบหูเราขณะฟังธรรมขณะฟังเพลงหรือว่าขณะดูหนังหรือขณะที่กำลังจะนอนหลับพักผ่อนอาจจะเป็นเสียงจากเพื่อนบ้านอาจจะเป็นเสียงใาคนรอบข้างยังไม่นับเสียงดินทาว่าร้ายเรา ไอเรื่อเหมือนแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเมินมั่งนะเราทุกนะแล้วก็สิ่งที่มันแย่คือว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยถ้าเจอเสียงแบบนี้เนี่ยยิ่งไม่ชอบเท่าไหร่เนี่ยยิ่งสนใจยิ่งจดจจอเสียงที่เราไม่ชอบเนี่ยเรายิ่งจดจจอยิ่งใส่ใจนะและมันไม่ใช่แค่เสียงที่เราไม่ชอบ พฤติกรรมการกระทำของคนที่เราไม่ชอบนี่มันก็ดึงดูดใจเรามากเราไม่ชอบใครเราก็ยิ่งจดจ่อใส่ใจกับการกระทำของเขาเขาอยู่ไหนเราก็สอดใส่มองหาใครที่กวนโทรสะเราเรายิ่งจดจ่อใส่ใจมากขึ้นและวันทั้งวันนี้เราก็หมด เสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับเรื่องพวกนี้เยอะเลยทีเดียวเยอะเยอะเลยทีเดียวนะถ้าเราไม่รู้จักเมร์เนี่ยเราจะทุกข์มากเสียเวลาเสียอารมณ์มากทั้งที่เวลาคนเราก็มีน้อยล่อยหลออไปทุกทีชีวิตคนเรามก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรเท่าไหร่เวลาในโลกนี้ก็เหลือน้อยลงไปทุกทีแทนที่จะใช้เวลาให้มีคุณค่ากับเอาเวลาไป เสียเวลาไปกับในสิ่งที่ทําให้เราหงุดหงิ ด, ดโมโหเกิดโทสะไม่งั้นที่รู้มีเขาว่าเนี่ยนะการที่คนเรารู้ว่าอะไรควรจะเมินเนี่ยมันสําคัญมากเลยแล้วเราจะรู้ว่าอะไรควรจะเมินเนี่ยนะส่วนก็คือรู้คุณรู้โทษนะรู้ว่ามีประโยชน์แล้วก็รู้ว่าอะไรที่ไม่มีประโยชน์ เพราะถ้าเราไม่เห็นโทษของมันเนี่ยเราเห็นแต่ประโยชน์เราก็จะหลงไหลเสนอของมัน <c oughs> เช่นพวกการช้อปปิ้งออนไลน์หรือสินค้าต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็มักจะเห็นแต่ประโยชน์เข้าของเครื่องใช้ที่เขานาเสนอขายเราโอเห็นแต่ประโยชน์แต่ไม่ได้เห็นโทษเกมออนไลน์เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็เห็นแต่ประโยชน์ แต่ไม่เห็นโทษหรือไม่เห็นมากพอก็เลยหลงตกเป็นเหยื่อรวมทั้งการพนันด้วยเห็นแต่ประโยชน์คือลาภที่จะได้แต่ไม่ได้มองว่าอนเงินที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะมากมายกว่าเงินที่ได้หรือรางวัลที่เ้าล่อ แต่ว่าเห็นคุณและโทษอย่างเดียวไม่พอนะหรือว่ารู้คุณรู้โทษเนี่ยไม่พอนะสำคัญเนี่คือรู้ตัวด้วยเพราะบงทีเราก็รู้นะว่ามีโทษแต่ก็หักห้ามใจไม่ได้อย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้เล่าก็ดียาก็ดี เราก็ร่วมมีโทษนะแต่เราก็ห้ามใจไม่ได้หรือแมก้กระทั่งการมีกิกเนี่ยนะเราก็ร่วมมันไม่ดีแต่ก็ห้ามใจไม่ได้เพราะนั้นเพียงแค่รู้คุณรู้โทษอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ตัวด้วยเพราะถ้าไม่รู้ตัวนี่เราก็จะตกอยู่ในอำนาจของมันสิ่งที่กระตุ้นโลภ กระตุ้นราคะหรือว่ากระตุ้นโทสะบางทีเราก็รู้นะว่าไปสนใจคำดินทาของคนนั่งคนนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์มีแต่ทำให้เราทุกข์รือว่าไปใส่ใจกับพฤติกรรมการกระทำของคนบางคนที่ไม่น่ารักที่ชอบกวนโทสะเราเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ก็ห้ามใจไม่ได้ เผอไปจดจ่อใส่ใจอันนี้เป็นเพราะว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะงั้นการที่เราจะมีศิลปะในการเมินเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้ตัวมากํากับด้วยน่าจะว่าไปในสิ่งที่เมินเนี่ยสิ่งที่ควรเมินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลข่าวสารคำพูดการกระทาบางทีสิ่งเสบบางอย่างเนี่ยเช่นอาหารเนี่ย อาหารบางอย่างมันอร่อยนะแต่ว่ามันมีโทษเพราะว่ากินมากไปแล้วทำให้เกิดโรคเกิดภัยก็ต้องรู้จักเมินด้วยเดี๋ยวนี้หลายคนเนี่ยเมินยากเหลือเกินเพราะว่าอาหารนอกจากหาง่ายราคาถูกแล้วก็ยังดูน่ากิน บางทีก็รู้นะว่าเออมันมีไขมันเยอะมีน้ำตาลมากหรือสารปรุงแต่งเยอะแต่ว่าเมินยากเห็นทีไรก็อยากกินทุกทีทีแรกก็ดูภาพก่อนดูภาพที่เขาโฆษณาทางเฟ e บุ๊ k เกิดความอยากขึ้นมาเขานี้มันก็ต้องสั่งซื้อแล้วไปเรียบ ก r a บมาส่งอะไร เ, ยเียหรือเดินไปหาที่ร้า น, นความทุกคนเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ว่าอะไรควรเมินแต่จริงสิ่งที่ควรเมินเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งรอบตัวเรานะที่กระตุ้นกิเลสหรือว่ากวนโทสะหรือทำให้เราเสียอารมณ์ บางสิ่งบางอย่างในตัวเราก็ควรที่เราจะเมินด้วยโดยเพราะความพร่องคนเราทุกคนเนี่ยมัน ม, มีอะไรที่สมบูรณ์หรอกมันก็มีความพร่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเราไปใส่ใจกับส่วนที่พร่องส่วนที่ขาดเราก็ทุกนะคนที่ไม่ทุกข์กับคนที่รู้จักเมินนะ สิ่งที่พร่องสิ่งที่ขาดมีผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งนะชื่อหวังเหมยเลียนเกิดมานี่ก็พิการทางสมองเธอไม่สามารถที่จะพูดได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินเหินเหมือนคนปกติได้ตั้งแต่เล็กนี่ต้องนั่งรถเข็นจะถ่ายทอดอะไรก็ต้องใช้การขีดการเขียน แต่เธอก็เป็นคนที่มีความสุขนะและแถมก็ยังมีแรงใจที่เต็มเปี่ยมสามารถจะเรียนจบปริญญาเอมายทุทไลที่มีชื่อในอเมริกาอยู่ c l a ตอนหลังเธอก็ได้รับเชิญให้ไปพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับผู้คนมีครั้งนึงเธอไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่งเธอพูดไม่ได้นะเธอก็เขียนเอาเขียนใส่กระดาษ พอเธอบรรยายเสร็จเนี่ยก็เปิดให้มีการถามไม่มีเต่น้งเรียนคนหนึงยกมือถามว่าเนี่ยคุณเกิดมาพิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคุณรู้สึกน้อยใจบ้างไหมคุณมองตัวเองอย่างไรที่ประชุมพอเจอคำถามที่เ็เงียบกริบเลยเพราะมันเป็นคำถามที่ s e n s i t i v นะปกติเขาก็ไม่ถามกันตรงๆแบบนั้นแต่วางมือเลี้ยน ก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรเธอก็หันกลับไปแล้วก็เขียนข้อความที่กระดานฉันมองตัวเองอย่างไร1ฉันเป็นคนน่ารัก 2. ฉันมีเรียวขาที่สวยงาม3ฉันมีแมวที่น่ารัก4พ่อแม่รักฉัน5พระเจ้าก็รักฉันถือเป็นคริสต์นะหฉันว่ารูปได้ฉันเขียนหนังสือได้แต่ที่คนประทับใจคือข้อที่7นะ ฉันมองสิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดว้ยคนประทับใจมากานี่คือเคล็ดลับเนีที่ทำให้หวังเมล์เหลียเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าแม่เธอจะขาดหลายอย่างเช่นเธอไม่มีความสามารถที่จะเดินเหินเหมือนคนปกติได้ไม่มีความสามารถที่จะพูดได้ เรียกว่าขาดความปกติในบางเรื่องแต่เธอไม่สนใจไงเธอเมินเธอเลือกที่จะเมินเธอก็มาสนใจสิ่งที่เธอมีสมองที่ยังดีนะตาที่ยังมองเห็นและหลายสิ่งรายอย่างที่ยังทำได้พอเธอมาใส่ใจกับสิ่งที่เธอมีแล้วก็เมิน ไม่สนใจสิ่งที่เธอขาดเธอก็ไม่ได้รู้สึกด้อยไม่ได้รู้สึกต่าต้อยไปกับคนอื่นนี่ก็เรียกว่ารู้จักเมินนะรู้ว่าอะไรควรเมินนี่คล้ายๆกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะเกิดมาก็เป็นทรัสซิเมียยางแรงเลยทรัสซิเมียนี่เป็นโรคเลือดถ้าพ่อกับแม่นี่มีเชื้อ ลูกก็รับเต็มเต็มเลยเธอนี่เกิดมาก็เรียกว่าพร้อมพอโตขึ้นมาก็ตาโปนกระดูกเปราะพกลมทีไรก็ไม่แขนหักก็ขาหักต้องถ่ายต้องรับเลือดเป็นประจำ หมอบอกจะอยู่ได้ไม่เกิน20ปีนะแต่ว่าเธอก็ดูแลร่างกายดูแลจิตใจของตัวเองจนอายุ 30- 40ิบสได้ในที่สำคัญคือเธอก็เป็นคนมีความสุขคนหนึ่งเคยเป็นดีเจวิทยุคลื่นความสุขเนะมือ่อสัก่ปีก่อนเธอพูดดีเธอบอกว่าเนี่ยฉันถึงแม่ฉันจะมีเลือดที่ไม่ดีนะ แต่ฉันยังมีตามองเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกรงกลิ่นหอมมีหูฟังเสียงไพเราะกินอะไรก็ยังอร่อยเดินเทินไปไหนก็ยังได้แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วเลือกเธอไม่ดีนะแต่เธอเลือกที่จะเมินนะเธอหัมาสนใจสิ่งดีๆที่เธอมีซึ่งก็มีไม่น้อยนะนี่ก็เรียกว่าเธอรู้นะว่าอะไรควรจะเมิน สิ่งที่พร่องก็อย่าไปใส่ใจกับมันมากใส่ใจกับสิ่งที่ดีและใช้มันให้เกิดประโยชน์เต็มที่เก็บเกี่ยวความสุขให้ได้มากที่สุดไ่คนบางคนเนี่ยบางทีก็แม้าจะมีเลือดดีไม่มีความเจ็บป่วยนะแต่เป็นเพราะไปไปจดจ่อใส่ใจกับบางสิ่งบางอย่างก็เลยเป็นทุกข์ทั้งที่เป็นเรื่องเล็กน้อย เช่นไปสนใจสิวไม่กินเม็ดบนใบหน้าไปสนใจกระฟ้าซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากพอไปจดจจอใส่ใจกับมันค่ะที่สิ่งที่ควรจะใส่ใจกับเมินนะคือการมีสุขภาพดีการมีชีวิตที่ผาสุขกินอิ่มนอนอุ่นไอ้สิ่งที่ควรใส่ใจก็ไม่ใส่ใจไอ้สิ่งที่ควรจะเมินกลับไปจดจอกับมัน ก็เลยเครียดก็เลยกลัดกลุ่มเยอะเลยนะหญิงสาววัยรุ่นไม่กี่ที่หญิงสาววัยรุ่นที่กลัดกลุ่มเพราะว่ามีสือไม่กินไม่บนใบหน้านะพอจดจอ่อใส่ใจอยู่กับมันทุกวันทุกวันอันนี้เรากาไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรควรจะเมิอนอะไรควรจะใส่ใจและจริงไม่ใช่เฉพาะ ความพร่องในร่างกายนะแม้มกระทั่งสิ่งที่มันลึกลงไปเช่นความคิดและอารมณ์เนี่ยเราก็ควรจะรู้จักเมินเพราะว่ามันจะมีความคิดหลายอย่างในหัวของเราซึ่งถ้าเราไปใส่ใจกับมันมากนี่เราจะทุกข์เลยนะเช่นเสียงบน่น เสียงบนน่ น, บนนุ่นบ่นนี่บางทีก็เสียงต่อว่าบุปการีต่อว่าพ่อแม่เสียงบ่นน้อยเนื้อต่ําใจพ่อแม่ไม่รักเราหรือทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ไห้เสียงบน่นเสียงว่าหรือว่าความคิดลบคิดร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่บางครั้งเนี่ย อาจจะเกิดเยอะหน่อยนะเวลาเราเจ็บเราป่วยเวลาเราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันไม่ปกติแต่ถ้าเราไปใส่ใจกับมันมากนี่เราทุกข์เลยนะหลายคนทุกข์มากเลยนะที่มันมีเสียงที่มีความคิดต่อว่าพ่อแม่อยู่ในหัวทำไมพ่อแม่เห็นแก่งเงินทำไมพ่อแม่ใส่ใจแต่ลูกชายพ่อแม่ไม่รักเรา บางอย่างก็เป็นความจริงนะแต่บางอย่างก็เป็นการปรุงแต่งแต่ข้อสำคัคือว่ามันก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะใส่ใจเพราะถ้าเราใส่ใจจะ ย, ย, ยิ่งรู้สึกแยกกับตัวเองแล้วก็เครียดบางทีอยาจะฆ่าตัวตายนะเพราะามันมีเสียงต่อว่าพ่อแม่ไม่เลิกสักทีบางทีมีเสียงจ่งจ๋วพระรัตนตรยัยอเสียงพวกนี้ถ้าไปใส่ใจมากเนะี่ยยิ่งยิ่งทุกข์เลยนะ แต่ถึงแม้ไม่มีเสียงแบบนี้นะแต่มันก็ต้องมีธรรมดาก็ต้องมีความคิดบางอย่างที่ทำให้เราไม่เป็นสุขถ้าเราไปใส่ใจกับ น, นมากเช่นความห่วงความกังวลเรื่องงานเรื่องการเรื่องพ่อเรื่องแม่อันนี้ธรรมดาเกิดขึ้นกับทุกคนบางทีก็ไปจดจ่อใส่ใจกับความทรงจำในอดีตที่เจ็บปวดความผิดพลาด บ, บางอย่างในชีวิต ความสูญเสียบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดากับทุกชีวิตในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไปใส่ใจมันมากนะเราจะทุกข์มากเลยเราต้องรู้จักเมินมันบ้างแต่ว่าหลายคนจะพบว่าอยากจะเมินอยากจะวางอยากจะไม่ใส่ใจแต่มันก็อดไม่ได้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่า ความไม่รู้ตัวเพราะว่าขาดสติหรือสติไม่เร็วมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเมินแล้วเราเมินได้นะมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะวางแล้วเราวางได้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไม่สนใจแล้วเราจะทาเหมือนัันได้ใจเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราแต่มันขึ้นอยู่กับการฝึกการฝนด้วยหรือการสร้างเหตุปัจจัยอยากจะเมินแต่ถ้า ชอบคิดและคิดน้อยหรือขาดสติมันก็อดไม่ได้ที่จะจดจ่อใส่ใจถ้าอยากจะเมิรเนี่ยมันก็ต้องฝึกสติให้มีความรู้สึกตัวเพื่อที่จะไม่หลงไปกับความคิดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแต่ว่ารู้ทันมันศิละปะของการเมินความคิดและอารมณ์ที่ไม่ประสงค์เนี่ยหรือที่เป็นโทษกับ จิตใจขงเราคือการมีสติน้อ ม, มสึกตัวสติเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องคุ้มกันจิตนะไม่ให้ความคิดและอารมณ์เหล่านี้มาครอบงำเราห้ามมันไม่ได้นะห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เมืมันเกิดขึ้นแล้วมันทําอะไรจิตใ จ, จเราไม่ได้เพราะเรามีสติเรามีความสึกตัวหรือมีเรามีความรู้ตัวนี้ที่เรามาฝึกสติกันก็เพื่อ น, นี้แหละเพื่อที่เราจะสามารถจะเมิน หรือวางความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลรวมทั้งเราสามารถจ่จะเนินความพร่องความไม่สมบูรณ์รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปใส่ใจกับมันมากเราก็ยิ่งทุกข์มันไม่แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจเลย แล้วพอมีความเจ็บปวดมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาไอ้ทุกขเวทนานี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถจำเมินมันได้เหมือนกันนะอย่าไปจดจ่อใส่ใจกับมันมากแต่ธรรมดาแล้วพอเกิดทุกขเวทนาความเจ็บความปวดนะยิ่งไม่ชอบยิ่งจดจอ่อยิ่งไม่ชอบยิ่งจดจอ่อความคิดลบคิดร้ายยิ่งไม่ชอบมันยิ่งผุดยิ่งโผล่ และยิ่งเราไปปฏิบัติกรรมนไม่ถูกต้องนะเช่นไปข่มมันเอาไว้ไปข่มไปกดมันเอาไว้มันก็ยิ่งอาลวาดหนักความเจ็บความปวดที่เราพยายามผลักไสมันมันยิ่งรบกวนรังความจิตใจแต่ถ้าเรารู้จักรู้ทันมันเราก็สามารถที่จะเมินมันได้วางมันลงได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะศิละปะในการเมินนย ในการไม่ใส่ใจไม่ว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเราหรือว่าสิ่งที่เกิดกับตัวเราร่างกายของเราหรือว่าสิ่งที่พูดขึ้นมาในใจเราต้องรู้จักฉลาดในการเมินหรือว่าสามารถที่จะมีศิละปะในการเมินสิ่งเหล่านี้ได้